ตั้งใจฟังนะเพราะว่าเสียงธรรมาอาจจะดังไม่เท่ากับเสียงฝนข้างหลังได้ยินหรือเปล่าได้ยินนะเราก็ทราบดีกันแล้วว่าวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาแบบบ้านเรานะวันสําคัญก็มีอยู่สามวันนะ วันมาคาบูชาวิสาขาบูชาแล้วก็อาสาลหาบูชาแต่ละวันก็เป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์มีบางท่านแยกเห็นความแตกต่างระหว่างสมวันวันมาคาบบูชาท่านก็เรียกว่าวันพระสงฆ์วัน วิสาขาบูชาก็เรียกว่าวันพระพุธวันอาส า, าบูชาก็วันพระธรรมที่เรียกวันมาขาบูชาว่าวันพระสงฆ์ก็เพราะว่ามีพระอรหันต์หนะึ่งพันสองราสิบรูปมาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นิดหมายนะหลังจากที่ผ่านพน้นพรรษาแรกไปวันพระพุธ ใช้เรียกวันวิสาขาบูชาก็เพราะเป็นวันที่พระรุจเจ้าประสูติตัสรุปปรินิพานส่วนวันอาสาบูชาเรียกว่าวันพระธรรมก็เพราะว่าเป็นวันที่พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจากกัปตนะสูตรในเวลาสามวันนะวันวิสาขาบูชาก็ถือว่าสําคัญที่สุดอัว น, นี้วันวิสาขาบูชาที่ เรียกว่าเป็นวันพระพุธนี่ที่จริงแล้วนี่ก็มีข้อธรรมให้เราได้พิจารณาจะเรียกว่าเป็นวันที่สื่อถึงพระธรรมได้ไม่น้อยทีเดียวไม่ใช่เป็นเพียงแค่วันพระพุธเท่านั้นและการที่วันประสูตรกับวันปรินิพานนะเกิดขึ้นในวันเดียวกันคือส5บ้าคำ ขึ้น15คหาข้ามเดือนหก็เหมือนกับจะเตือนใจให้เราเระลึกว่าเกิดกับตายเป็นของคู่กันคนเราเมื่อเกิดมาแล้วนะก็หนีความตายไม่พ้นอันนี้ก็เป็นความจริงที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามเวลาเราฉลองวันเกิดกันเรากี่คนที่จะนึกได้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตาย ขณะที่เราดีใจนะที่ได้ฉลองวันเกิดเราเฉลียวใจบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อวันตายมาถึงนะให้ความดีใจก็จะกลายเป็นความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักว่าเกิดกับตายเป็นของคู่กันให้การระลึกเช่นนี้ก็ช่วยทําให้เรายอมรับความตายได้ง่ายขึ้น เพราะว่าการเราถึงความตายอยู่เสมอก็ทำให้เราคุ้นชินกับความตายกลัวความตายน้อยลงาวานันวิสาขาบูชาอย่างน้อยก็ควรจะให้เราเตือนใจให้เราได้ตระหนักนะถึงความจริงที่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายเกิดกับตายเป็นของคู่กันแม้แต่พระเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษซึ่งมี ปาฏิหารมีอิทธิฤทธิปาฏิหารมากมายทรงถึงพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะนะก็ยังหนีไม่พ้นความตายและก่อนที่จะตายนะก็ต้องเจอกับความเสื่อมความชรามีสมัยหนึ่งพระอานนท์นะเมื่อได้มาไดา้จะเรียกว่า นวดเฟนอุปถาบ พ, พระพุทธองค์ก็แปลกใจถึงก็อุทานขึ้นมาว่านั้นไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยนะพระพุทธองค์ซึ่งทรงเคยมีพระชวีวันหรือพระผิวพันธ์ที่งดงามมาบัดนี้ไม่บริสุทธิ์ผดผ่องเสร็จแล้วมหาพริศลักษณะ นะที่ท่งถึงพร้อม 3.2 ประการนะตอนนี้นะอวัยวะก็เหี่ยวย่นนะร่างกายก็ค้อมไปข้างหน้าก็คือเดินไม่ตรงแล้วอินทรีย์ทั้งห้านะคือตาหูจมูกลิ้นกายของพระองค์ก็แปรผันแปรป่วนไปอันนี้เป็นคำพนานาของพระอานนทนะ์ที่กล่าวถึง พระบรากายของพระพุทธเจ้านะซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีผิวพันธ์ผ่องใสนะเดินตัวตรงแต่ว่าเมื่ออายุถึงวัย80นะใกล้ปรินิพพานก็แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอันนี้ขนาดพระพุทธเจ้านะก็ยังหนีไม่พ้นความชาราภาพและในที่สุดก็ความตายและเราล่ะซึ่งเป็นผู้ทุชนนะเรา จะหนีความจริงข้อนี้ไปได้อย่างไรพวันวิสาขบูชาก็เตือนใจให้เราระลึกถึงศัจธรรมที่เราทุกคนต้องประสบเมื่อเกิดมาแล้วนะก็ต้องตายในระหว่างนั้นก็ต้องเจอความทุกข์เจอความแก่ความชาราความเจ็บป่วยความพัดพรากสูญเสียล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นแต่ว่าการที่พระเจ้า ตัดสรุโดยมีวันวิสาขาบูชาเป็นที่ระลึกนึกถึงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าแม้คนเราจะต้องประสบกับความทุกข์แต่ว่าก็สามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้เป็นอิสระจากความแก่ความชราความเจ็บป่วยและความตายได้ ก, การตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันว่า มนุษย์เราสามารถจะค้นพบทางออกจากทุกได้และอันนี้นะก็ควรจะเป็นจุดมุ่งหมายหรือปณิธานของพวกเราชาวพุทธอันนี้ก็เป็นแก่นธรรมอย่างหนึ่งนะที่เราควรจะได้ตระหนักเมื่อเราลึกถึง การประสูตรตัดสรุรและประนิพนธ์ของพระ เ, เจ้าบางครั้งวันวิสาขาบูชาในความเข้าใจของคนทั่วไปก็เป็นเพียงแค่วันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาเป็นวันที่ควรให้การไปทำบุญเข้าวัดฟังธรรม หรือว่าเวียนเทียนก็เข้าใจแต่เพียงเท่านั้นนะแต่ที่จริงถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าวัดฟังธรรมใส่บาตรหรือเวียนเทียนแต่ถ้าเราพิจารณาถึงข้อธรรมจากวันวิสาขาบูชาจากเหตุการณ์ประสู ต, ติจตสรุปรนิพพานซึ่งบังเกิดขึ้น ในวันเดียวกันคือขึ้น15บ้าข้ามเดือน6เราก็จะได้ประโยชน์นะกับการดำเนินชีวิตอันที่พูดมานี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่าวันวิสาขบูชานี่ไม่ใช่เป็นแค่วันพระพุทธนะแต่ว่าสามารถจะเป็นวันพระธรรมได้ด้วยเพราะว่าในด้านหนึ่งก็เตือนใจให้เราลลึกถึงสัจธรรมความจรงิงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายที่ทุกคนต้องประสบ แต่ขณะเดียวกันนะก็ชี้แสดงให้เราเห็นถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตนะที่เราพึงมีก็คือนะการพัฒนาตนพัฒนาจิตใจเพื่อออกจากทุกข์จุดมุ่งหมายของชีวิตนะที่พระุองค์ได้ส่งเป็นแบบอย่างคือการที่บำเพ็ญเพียร น, นะเพื่อเข้าถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร อันนี้ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ชาวพุทธเราควรจะมีแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้ตระหนักถึงข้อนี้เท่าไหร่นะจุดมุ่งหมายในะช่ อ, องคนส่วนใหญ่ก็มักจะหนีไม่พ้นเรื่องความร่ํารวยความมั่งมีนะความสําเร็จทางโลก ค, นะความมีอํานาจวาสนาบารมีซึ่งก็เท่ากับว่า ยังพาตนยังคงพาตนให้จมหมุนวนอยู่ในความทุกข์แม้ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งจิตเอาไว้อย่างที่ตั้งความมุ่งหมายเอาไว้เนี่แต่มันก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นอยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่สแสวงหาแม้จะครอบครองได้แต่มันก็เป็น ความสำเร็จชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเอาผู้คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักนะถึงความจริงอันนี้ไปคิดว่ามันเป็นความสําเร็จที่นะเป็นจุดมุ่งหมายที่ถ้าไปถึงได้จะมีความสุขนะแต่มันเจอไปได้วยความทุกข์อย่างยิ่งมันทุกข์ตั้งแต่คิดแล้วแหะเพราะว่าพอคิดแล้วก็อยากพออยากแล้วก็จิตใจก็รุมร้อนด้วยอํานาจของตัณหา ยิ่งเกิดการที่ลนนะที่จะให้ได้อย่างที่ต้องการก็หมายถึงการต้องต่อสู้แย่งชิงกับผู้อื่นบางทงไม่ได้แย่งชิงกับใครนะแย่งชิงกับพี่น้องยิ่งพ่อแม่มีมรดกมากมายเดี๋ยวนี้พี่น้องก็ทะเลาะกันเอง เพื่อจะได้มรดกแย่งทะเลาะกันไม่พอนะบางทีก็ถึงกับวางแผนกำจัดไม่ได้กำจัดเฉพาะพี่น้องเพื่อจะได้มรดกคนเดียวนะไอความอยากได้มรดกไวๆก็ถึงขั้นไปวางแผนฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะ น, นักศึกษาก็จ้างคนให้ไปฆ่าพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเพื่อตัวเองจะได้มรดกจากพ่อแม่เพียงผู้เดียวสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการติดคุกติดตารางเพอเพาอาจจะโดนประหารชีวิตด้วยนี่มันทุกข์แท้ๆเลยนะมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มคิดแล้วล่ะแล้วก็แม้จะสําเร็จนะ ก็หาความสุขหาความสงบเยในจิตใจไม่ได้นับประสาอะไรกับความล้มเหลวนี่ถ้าเราเอาถ้าผู้คนถือเอาความมั่งมีความร่ํารวยเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตนะบางทีมันก็ลงเอยแบบนี้ลงเอยด้วยการทําความชั่วหรือถึงแม้จะหลีกหนีความชั่วก็ยังหนีความทุกข์ไม่พน้น ทุกทุกเพราะไม่ประสบความสำเร็จหรือทุกเพราะต้องคอยหวงแหนต้องคอยรักษาเอาไว้ไม่ให้สูญเสียไม่ให้ใครแย่งชิงออกไปแต่สุดท้ายนะมันก็ต้องสูญเสียอยู่วันยังคำ่ำบางทีก็โดนน้ำท่วมพัดพาไปอย่างเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วบางทีก็ถูกโกง บางครั้งเหตุการณ์บ้านเมืองก็แปรผันค่าเงินตกทรัพย์สิทธิ์ก็ราคาลดพั่งพุ้นก็ตกนะก็เศร้าโศกเสียใจนั้นถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วนะมันก็หาความสุขได้ยากก็ยังหมุนวนอยู่ในความทุกข์จารตัดสุขของผู้เจ้าเนี่ยนะได้ ได้ทำให้เราได้พบความจริงว่ า, าสิ่งเหล่านี้นะเงินทองชื่อเสียงวัตถุมันไม่ใช่เป็นสาระของชีวิตนะมันมีสิ่งอื่นที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะล้วนแลแ้แล้วนแลแต่ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงนะอันนี้จังมันแฝงไปด้วยทุกข์อยู่ตลอดเวลา แล้วก็มันไม่ใช่ตัวตนที่จะยึดมั่นถือมั่นได้การตัดสู้ของพระเจ้านะทำให้เปิดทำให้มนุษย์ผู้คนเนี่ยได้ตาสว่างแล้วก็เห็นว่าความสุขที่แท้หรือจุดมุ่งหมายของชีวิตอันประเสริฐ น, นั้นอยู่ที่ไหนในวันที่พระพเจ้าจะตัดสู้นะ อาจจะเรียกว่าคืนก่อนที่พระเจ้าจะตัดสรุนะพระองค์ก็มีสบสู่บินนิมิตอยู่ห้าประการสู่บินนิมิตก็คือความฝันข้อที่ห้านี่ก็น่าสนใจนะก็คือพระองค์ฝันว่ามีภูเขาก้อนใหญ่เป็นภูเขาลูกใหญ่นะภูเขาลูกนี้นี่ล้วนแต่แตเป็นกองขูดทั้งสิ้นกองขู่กับอุจจารานั่นเองนะเราจินตนาการว่าฝันเห็น อุจลากองใหญ่ท่วมเป็นภูเขาและพระองค์ก็เดินอยู่บนเขาลูกนี้แต่ว่าไม่แปดเปื้อนเลยคูดหรืออุจลานั้นไม่แปดเปื้อนพระองค์เลยไม่ว่าพราะองค์จะเดินขึ้นหรือเดินลงลคนธรรมดาเวลาฝันถึงกองคูดกองอุจลาเนี่ก็คิดว่าเป็นฝันร้ายฝันไม่ดีนะแต่ว่าสุบินนี่ไม่ ที่ว่ามันนี่เป็นฝันดีนะแปลว่าพระองค์เนี่ยจะตัดสรูพระสัมมาสัมพุทธิยานเพราะว่าการที่คูดอุจล่าไม่แปดเปื้อนพระองค์ทั้งทั้งที่เดินย่ำลงไปนะบนภูเขาลูกนั้นก็แสดงว่ากามาสุขหรือว่าโลกธรรมนั้นเนี่ยจะไม่แปดเปื้อนพระองค์ก็คือเป็นอิสระ อันนี้คือคุณสมบัติของผู้ที่เข้าถึงธรรมจริตก็หลุดพ้นโลกธรรมไม่อาจครอบงำทำให้จิตใจเป็นธาตุหรือว่าชักนำให้อยู่ในความทุกข์ได้เฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จ ะ, ะบาเพ็ญเพียร โดยเอาการตัดสรุของพระองค์เนี่ยเป็นเป็นแนวทางถือเอาการค้นพบพระธรรมของพระองค์นี่เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตมันก็จะทำให้เราเกิดความตั้งมั่นในวันที่พระองค์จะตัดสรุนี่เราก็คงทราบดีนะพระองค์ตัดสรุปนะในยามสาม ก็คือช่วงระหว่างตี2อถึง6โมงแต่ก่อนที่พระองค์จะตัดสรุปนะพระองค์ก็ได้ทำความเพียรด้วยการตั้งจิตอธิษฐานพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถานี้ก็ใช้เวลาทังหปีในการทำความเพียรไม่ประสบความสำเร็จแต่ในคืนที่พระองค์จะตัดสรุปนั้นพระองค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้ขอ อธิษฐานไม่ไดแ้แปลว่าขอให้สําเร็จไม่ได้ขอเทวดาไม่ได้ขอใครเลยนะแต่ว่าอธิษฐานเป็นเว่าความตั้งจิตมั่นตั้งจิตมั่นตั้งจิตแน่วแน่ในการจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในคืนนั้นก่อนที่จะ บำเพ็ญสมาธิภาวนาพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานว่าอะไรพระองค์ก็ตั้งใจอธิษฐานว่านะแม้เนื้อและเลือดในสรีระของเราจะเหือดแห้งคงเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมพธิยานก็จะไม่ลุกจากบันลังนี้นะอันนี้เป็นคำเป็นความตั้งมั่นของพระพุทธองค์ นะซึ่งทำให้คืนนั้นพระองค์สามารถที่จะบระรลุพระสัมมาสัมพธิยานได้ในที่สุดคำอธิษฐานขอ ง, นงพระองค์นี้นะก็เราก็ควรจะน้อมใจพิจารณานะเพราะว่าในการทำความเพียรแม้เราจะปรารถนาดีอย่างไรมันก็มีอุปสรรค มีบางคนที่จริงก็หลายคนทีเดียวนะมาบวช ด, ด้วยความตั้งมั่นว่าจะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระนิพพานแต่พอบวชได้แค่ปีเดียวหรือบางคนบวชสามปียังไม่บรรลุไม่เห็นอะไรเลยก็ท้อแท้ซะลนะสึกหาลาเพศไปนะอันนี้เรียกว่า ไม่ได้ตั้งเกีทิฐิฐานอย่างที่พระพุทธองค์นะได้ทรงทำเป็นแบบอย่างนะพวกเรานะถ้าจะแม้เราจะมีจุดมุ่งหมายของชีวิตที่จะมุง่งหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ว่าก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคง่ายๆแลวคําพระทิฏฐานพู้เจ้านนะใน คืนนั้นนี่ในเย็นนั้นเนี่ยให้เราระลึกนึกถึงไว้อยู่เสมอเพื่อว่าจะทำให้เกิดความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นะในการบาเพ็ญธรรมอย่าย่อท้อต่อประสาทง่ายๆที่จริงในคืนที่ในวันที่พระเจ้าประนิพนันนะนะก็มีธรรมะสำคัญ อีกข้อหนึ่งนะที่เราต้องระลึกนึกถึงเสมอนะอย่างที่เมื่อกี้เราก็ได้สวดไปก่อนที่พระเจ้าจะประทิพานพระองค์ก็แสดงโอวาทครั้งสุดท้ายเพื่อประชิมโอวาทว่าท่านทั้งหลายจงทางความเพียรให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทางความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้เป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระเจ้านะที่กระตุ้น ให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นหลายคนก็ก็รู้ว่าพูะเจ้านะปรินิพพานในวันนี้ <c oughs> แต่อาจจะลืมไปว่าพระองค์ได้มอบมรดกมรดกธรรมให้กับชาวพุทธอย่างไรบ้างมรดกของพระเจ้าก็มีสั้นๆเท่านั้นเนี่ยก็คือเตือนย้ำให้เราตระหนักว่า ต้องทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพราะอะไรเพราะว่าสังขารไม่เที่ยงวัฏธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเพียงแค่นี้ก็เป็นเหตุผลเพียงพอนะที่เราจะต้องบําเพ็ญเพียรด้วยความไม่ประมาทที่จริงความไม่ประมานั่นแหละนะนะที่จะกระตุ้นให้เราเกิดความเพียรขึ้นมา ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์นะอันนี้แหละคือนะสาระนะในทางธรรมนะที่เราควรจะระลึกนึกถึงหรือน้อมนำเป็นเครื่องเตือนใจอยู่เสมอรนะะลึกว่าระลึกถึงความจริงของชีวิตว่าเราต้องมีความตายเป็นที่สุด แต่ขณะดเดียวกันในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ควรตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตให้เป็นไปในทางที่ประเสริฐเป็นไปนะเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จริงสิ่งที่ผู้เจ้าตัดสรุนะมีมากมายนะแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าการตัดสรุนะในเรื่องอริย ส, สัจ4 ก็มีการามีพระพุจ้า ก, ก็ได้ตัดเราเองนะว่าพระองค์ได้พบหรือว่ามีญาตบังเกิดกับพระองค์เป็นลำดับยามหนึ่งนะก็คือตั้งแต่6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะทรงบังเกิดเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณแปลง่ายๆว่าการระลึกชาติได้อันนี้เรียกแปลแบบภาษาชาวบ้านนะ แต่ว่าการแปลแบบนี้ก็กทำให้เข้าใจผิดว่ามีตัวตนเกิดขึ้นชาติแล้วชาติเล่าเวียนเกิดเวียนตายแต่ที่จริงญาณ น, นี้เนี่ยหมายความว่าญาณระลึกได้ถึงขันที่เคยอาศัยนะภพแทนุวาสารนิสติญาณคือการระลึกได้ถึงขันที่เคยอาศัยในอดีตนะไม่ใช่เคยเกิดเป็นคนโน่นเป็นนี่เป็นคนนั้นคนนี้นะท่านใช้คำ ว, ว่าขัน ไม่ใช่คนเราลึกได้ถึงขันที่เคยอาศัยในอดีตนะยามสองนะก็คือสี่ทุ่มถึงตีสองนะพระองค์ก็บังเกิดยานที่เราจุดตูปปาติยานคือการเห็นถึงการดับและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าเกิดทิพยาจักสู่ก็ว่าได้ยามสามคือยามสุดท้าย นะตีสองถึง6โมงเชา้ายานสำคัญก็คืออาสวะขย้ายานอาสวะขย้ายานเทื อ, อยานที่ทาให้หลุดพ้นจากอาสวะอาสวะคือกิเลสนั่นเองนะที่หลุดพ้นเพราะอะไรก็เพราะเห็นความจริงนะเห็นความจริงที่เราเรียกง่ายๆว่าอริยสัจสรู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์เกิดจากอะไรและทุกข์จะดับไปเพราะอะไรและหนทางในการดับทุกข์ แต่จริงแล้วสิ่งที่พระองค์พบแล้นคือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองพรงได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าพูดง่ายคือว่ากระบวนการเกิดทุกข์ว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาอย่างไรมี12 12ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะ เวทนาตัณหาอุปทานพบชาติชรามรณะแล้วค่อย ถ, ถึงเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกท ร, รมานัดอุปายาบพระองค์พิจารณากระบวนการเกิดทุกข์ว่าทุกข์เกิดจากอะไรก็เห็นเป็นขั้นตอนอันนี้ก็เรียกว่าสมุดไทยแลพ้พระองค์ก็พบต่อไปว่าทุกข์จะดับไปเพราะอะไรนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ อ, อวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับ สลายยตนาดับผัสสะดับเวทนาดับมันก็ทําให้ตัณหาอุปทานพบชาติชร า, ามรณะดับไปด้วยนะนี่เรียกว่าเห็นกระบวนการดับทุกและจะทําให้กระบวนการดับทุกเกิดขึ้นอย่างไรนะอันนี้แหละก็มั่งมีองค์แอันนี้คือสัจธรรมนะความจริงที่ถ้าเราศึกษาเพิ่มเติมก็ควรจะเข้าใจเพราะว่าแม้เราตั้งใจว่าเราจะบําเพ็ญเพียร เ, เพื่อการดับทุก แต่ถ้าเราไม่รู้วิธีการไม่รู้กระบวนการนะมันก็ดับทุกไม่ไดนะ้นวันวิสาขาบูชานะก็มันมีสาระในทางธรรมมากมายนะที่จะศึกษานะก็ฝากเอาไว้ให้พวกเราได้ระลึกนึกถึงนะแล้วก็นำไปศึกษาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัตินะเรก็พูดกันเท่า น, นี้นะคํำนี้นะกับพระพร้อมกัน